นัมูตัจจะวตุอรหตตสัมมาสัมพุทัจะนมูตัจจะวัตุรหตตสัมมาสัมพุทัจจะพุทธังธรรมังสังังนมัสสามิอุปัังสัจจังธมโตุตภูติวันนี้เป็นวันอัธมีพิธีที่แปดค่ำ ยังปักมาถึงแล้ววันนี้ฝ่ายพุทธบริษัททั้งหลายถือว่าเป็นบนรรพะซึ่งนับเนื่องมาจากโบราณการของชาวพุทธทั้งหลายมาแบ่งวันปันส่วนให้ชาวพุทธทั้งหลายเข้าสู่ธรรมะให้ฟังธรรมะ ที่วัดวาอารามเป็นธรรมดาชาวพุทธเราทั้งหลาย <c oughs> ถือเป็นการเป็นเวลาโบราณอาจารย์ท่านจัดว่าเดือนหนึ่งเป็นบันทึอยู่สี่วัน เป็นวันคารวาสอยู่1 6วัน26วัน21 21 30นะเดือนหนึ่งมีวันวันพระอยู่4วันเป็นวันคฤรืหัดวันคาวาสอยู่26วันแบ่งกันอย่างนั้นคารวาสได้หลายกว่ามากกว่าเดือนหนึ่งได้ว26วันพระได้4วัน นาทนี้ยังไม่พอใจนะยังมาขโมยวันพระไปอีกด้วยวันพระสี่วันเท่านั้นะให้ยี่สิบหกวันยังมาขโมยวันพระไปอีกจนกระทึงวันนี้วันพระจนจะไม่เหลือฉะแเลวเลยเก็บให้เป็นวันคารวสหมดทั้งสามสิบวันเดือนหนึ่งอันนี้ดูจากว่าเรามาข้ามเทศขมาไหมล่ะยี่สิบหกวันล้วยังไม่พออีกยังมาขโมยเอาวันพระไปอีกด้วย มันพระอาารในสีวันคือเป็นวันเทียบเดือนหนึ่งเราจะต้องพยายามมาอบรมสันดานของมนุษย์เราตั้งหลายนี่พยายามอบรมอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่อบรมนานๆจริงจะอบรมทีหนึ่งสมกับพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าวันคืนมันร่วงไฟร่วงไฟบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่ เรามันมีความวุ่นวายมุ่งหมายแต่อย่างอื่นโดยมากไม่นึกถึงตัวไม่เห็นตัวพระองค์กลัวพวกเราทาง้งหลายจะเผลอไปซะจะได้ลืมว่าวันคืนวันคืนร่วงไปร่วงไปมันไม่ร่วงไปแต่วันนะชีวิตของเราก็ร่วงไป เท่าไปแก่ไปชราไปผลที่สุดมันก็หมดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่คือท่านกำชับให้พวกเราสังหลายนะไนพิจารณาอยู่ในปัจจุบันนั้นว่าเรามานี่เรามาจากไหนมาเพราะอะไรใครนำมาจะมาอยู่นี่กี่ปีกี่เดือนกันรู้ไหมและออกจากนี่จะไปที่ไหนกัน เมื่อเรานึกถึงวันคืนอยู่ชนีเราจะควรคิดอยู่อย่างนี้เดือดเมื่อกวนคิดอยู่อย่างนี้มนนสม่ำเสมอเราก็จะเห็นว่าชีวิตมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดมานี่ก็ไม่นานนะักเป็นเด็กแล้วก็แปลเป็นหนุ่มเป็นคนเท่าเป็นคนแก่เปลี่ยนไปทุกวันทุกวัน ถ้าเราพยายามมุ่งพิจารณาอยู่อย่างนี้เราจะพยายามว่ะทางไปทางมาของเราเพราะว่าเรายังไม่หมดพวงยังไม่หมดยังมีอยู่ยังมีเรื่องต่อเช่นพวกเรามาฟังธรรมวันนี้ก็คิดว่าจะกลับบ้านอยู่ทุกคนนั่งไปนั่งไปพักหนึ่งก็คิดว่าเออ กี่โมงแล้วเนาะกลับไปบ้านทันไหมเนาะเนี่ยมันห่วงอยู่อย่างนี้เรานี่คือมันการฉันานันเมื่อเรามาทามาหากินอยู่ในโลกนี้เราก็จะรู้จักชีวิตของเราว่าเรามายังไงไปยังไงมาอย่างไงมีเครื่องหมายไหมเราจะอยู่กันกี่วันอยู่กันกี่ปีกี่เรือนอย่างนี้เมื่อเราระลึกเช่นนี้อยู่เราก็จะรีบ ขวนขวายเพื่อจะประพฤติปฏิบัติไอสิ่งที่อะไรที่มาว่ามันไม่ดีมันไม่เป็นสาระที่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแก่บุคคลอื่นซึ่งเรากระทาไปโดยกายก็ณี้ดยวาจากรณีนึกโวยจิตใจกรณีอันนั้นเราก็พยายามจะเขี่มันออกให้ห่างไกลเราอืมเพื่อความสวัสดี ถ้าหากว่าเราไม่คิดเช่นนั้นก็เรียกว่าเราไม่ไม่รู้จักว่าต้นปลายต้นทางอยู่ตรงไหนกลางทางตรงไหนปลายทางที่ไหนเรามาแต่ที่ไหนเราจะอยู่ไปกี่ปีกี่เรือนแต่ไฟที่ไหนแล้วใครเป็นคนนําไปเราก็จะไม่รู้เรื่องทิ่นี่ก็อยู่ไปโดยที่ว่าไม่มีสาระอะไรในจิตใจของเราอย่างนั้น มันก็คล้ายๆดีกว่าไม่มีการไม่มีเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเขาเรียกว่ามันคล้ายๆกันกันกบสัตว์อย่างไก่เนี่นไม่รู้เรื่องตอนเช้ามาก็พาลูกคุ้ยเขียหากินไปเย็นมาแล้วก็นอนในเด้าไก่พรุ่งนี้ก็เขียกินไปเปรืนนี้ก็เคียกินไป ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนมาที่ไหนไม่รู้จักอืไม่รู้จักเจ้าของเขาเลี้ยงไก่ก็ไก่ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงเราไปทําไมไม่รู้จั ก, ก, าาก itives, ร, จรู้สึกแต่ว่าเขาเอาข้าวมาให้กินคนิดว่าเขารักเราทุกวันทุกวันเอาข้าวมาโปให้กินนึกว่าเจ้าของรักเราอืก็วิ่งกันมาแย่งกินข้าวอยู่ทุกวันทุกวัน เจ้าของไก่คิดอย่างหนึ่งไก่มันคิดอย่างเจ้าของไก่พยายามเลี้ยงไก่ว่าโตเราหรื อ, อยังมันในสักสองสามกิโห ร, หรือเปล่าเจ้าของไก่คิดไปอย่างนี้ไก่แม่เราสนุกกินอาหารนานๆก็คุ้นข็มามันเชื่อ ง, องก็เข้ามาใกล้เจ้าของก็จับจับดูแดี๋ยวก็ยกขึ้นดูไก่ก็นึกว่าเจ้าของรักเรา เปลาจะของไก่นึกว่ามันหนักเท่าไรแล้วมันจะพอสองกิโลหรือเปล่าเขา ค, คิดไปอย่างนั้นไก่ก็เนึกว่าจะของรักเรามันคิดเป็นคนในอย่างจะของไก่ครับไก่นะีไก่ก็คุ้น็มาเชื่อง็มากินแพืชนี่ยมันอ้วนขึ้นอืจะของก็เร่งเอาข้าวให้กินให้มันโตให้มันใหญ่ขึ้นมาเมื่อจับขึ้นมาได้สองสามกิโลแล้วก็ดีใจแล้วไก่ไม่รู้เรื่องอีกเลยไม่รู้จัก ม่าจะของรักเรามันเป็นเช่นนี้คือมันไม่รู้เรื่องว่าเราเกิดมาทำไมเป็นอะไรต่อไปไม่รู้เรื่องอย่างนี้มัจจุราชคือความตายเหมือนเจ้าของไก่มัจจุราชจะมาตามถึงเราเมื่ อ, อไรไม่รู้จักมัวแต่เพลินเพลินนารูปนาเสียงนากลิ่นนารสนามโพทพะธรรมรมอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักแก ถ้ไม่รู้จะแก่แล้วก็ไม่รู้จะพอคำที่ว่าพอนั่นไม่ได้ยินคำที่ว่าแก่นั่นก็เกลียดไม่อยากจะให้ใครพูดได้ยินเลยอันจะมาไปสหรัฐไปเทศเรื่องแก่เก็บตายไม่ไหวเลยเขไม่ฟังอะ่ะกลัวก็เาเกลียดไม่อยากได้ยินคําที่ว่ามันแก่มันเท่ามันตายเขาไม่อยากได้ยินเลยไม่อยากจะได้ยินคืออันนี้เรียก ว, ว่ากลัวมันจะ เห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายโดยใจก็ไม่สบายพระพุทธองค์ของเรามีความมุ่งหมายไว้อยากจะเห็นความแก่เราจะมีความตรุดสังเวชบ้างเมื่อเราทําความชั่วมานานแล้วก็พอจะเลิกมันเสียมันก็เท่านั้นแหละมันแก่แล้วจะเอาไปทําไมมากมายมันคงคิดอย่างนี้พวกสหรัฐเจริญหลายเจริญด้วยรูปด้วยเสียงกลิ่นรสโพธฐพัทธมารมม พูถึงความแก่เขาหน้างอไม่อยากจะฟังอะนะเจ็ดสิบปดสิบยังปากแดงศพแดงเล็บแดงเสมอย่นี้ยังขึ้นรถจักรยานแข่งกันกันกบเด็กอยู่เนี่ยเอาวัดดีอยู่างนั้นนะคือคนไม่รู้จักแก่เมื่อไม่รู้จักแก่มันก็ไม่รู้จักพอเมื่อไม่รู้จักพอมันก็ยุ่งมันเป็นใจอย่างนั้นฉะนั้น บรรพบรุษท่านจึงแบ่งวันพระให้พระเดือนหนึ่งท่านให้สี่วันยี่สิบหกวันเป็นวันโยมในธรรมมาหากินโดยความชอบเมื่อทํามาหากินพอสมควรก็มาพักกันจ้ะพอมาวัดนะพระท่านจะพูดอะไรให้ฟังมังหมเมื่ออยู่ในวันเป็นอันนั่นกัเราอันนั่นกับ ข, ของเราของเราทั้งหมดเลยไม่เคยได้ยินว่าไม่ใช่ของเราไม่เคยได้ยินน่ะ บางทีก็แอบเข้ามาในวัดพระท่านจะเทศน์เนี่ยฟังนะอันนั้นก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราเอ๊ะทําไมเป็นองินเราเนี่ยเอจใจขึ้ น, นะ่ะทําไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยของเราแท้ๆเราสะสมมาแต่นานๆพระท่านพูดก็หกหรืองไงนี่ท่านว่าอันนั้นก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราตกกรลึงเลยไม่รู้ว่าจะเอาไงกันดีนะฟังไปเรื่อยๆมาเมื่ อ, อไรอาจารกระเ่าอันนั้นไม่ใช่เรา อันนั้นก็ไม่ใ่ของเราเราขับกันสะสมในใจอันนี้ก็ของเราอันนั่นก็เราอันนี้ก็ของเราอยู่อย่างเนี้ยไอความเห็นอย่างไงมันจะแย่งกันอยู่ตลอดเวลากับธรรมะโลกกับธรรมะมันแย่งกันโลกก็ยังไม่ยอมอยู่นะอันนี้ของเราอันนี้เราอันนี้ของเรามาถึงพระอาารก็ว่าอันนี้ไม่ใช่เราอันนั้นไม่ใช่ของเราโดยพูดไปคนในทางนี่น จนกว่าเราจะทำนานในในการฟังธรรมะว่าเออไม่ใช่ของเราถูกความพระนะอมันนานเห็นนะมันนานพบนะ่ะมันนานเจอมันนานเห็นที่นี่ก็คิดนานนานมามาวัดทีหนึ่งก็ได้มาฟังแต่อย่างนั้นอ่ะถ้ากลับไปบ้านอันนั้นก็เราอันนั้นก็ของเราไม่ได้คิดนึกอะไรอืมอ่ะ มาถึงพระศาสนาอันนั้นก็ไม่ใช่เราอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราในเพียงก็เป็นคนข้างๆคูครูอยู่อย่างนั้ น, นตลอดเวลานะนี่เราเป็นเห็นเราภาวานาเอ๊ะ ม, มันจริงของใครแน่นอนนี่นะจริงคําพระหรือว่าจริงของเราเราก็จะได้คิดดูคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาเนะนี่ยเกิดการภาวานาขึ้นนี่การฟังธรรมมีประโยชน์อย่างนี้จะได้เห็นว่านานๆไปพิจารณาไปเรื่อยๆไปเนี่ย อายุมันมากก็มาหน่อยโลกมันบีบบังคับก็มาหน่อยจะพูดอะไรในร่างกายมันก็พูดไม่เชื่อไม่ฟังสารพัดอย่างแม่ตั้งแต่ลูกเกิดมาในอกของเราพูดมันก็ยังไม่ฟังเลยเลยนะอย่าไปยังงั้นเลยไปอย่าเกเยมันก็แจหรือวุ่นกันไปคิดไปมันเห็นในปัจจุบันก็จะเห็นว่าเออธรรมะที่พระทาจาพูดแต่มันจริงนะอ่อ ที่เรียกว่าของของเรานั้นมันก็เพียงแค่ว่ามันเป็นของสมมุติที่เรียกว่าเป็นเรานั้นก็สักว่าแต่เป็นของสมมุติเท่านั้นถ้าพูดตามความจริงมันแล้วมันถูกคําพระแต่เรายังไม่เห็นความจริงอย่างความเป็นจริงของพระเราก็ยังไม่เชื่อไม่รู้จักอืถ้าเราฟังไปพยยิจารณาไปรู้เรื่องปัญญามันเกิดเราจะเห็นมาเอออันนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆนะ เห็นไหมที่บ้านเราเรียกว่าของเราน่ยเห็นไหมมันเคยแตกไหมมันเคยหายไหมมันเคยอะไรต่ออะไรไหมนี่มันเปลี่ยนแปลงไหมเห็นไหมก็เห็นเป็นตัวอย่างไงเห็นเป็นตัวอย่างที่เราเรียกว่าของเรามันไม่ใช่ของเราคือมันบอกไม่ได้ว่ามันไม่ฟังมันเป็นไปตามสภาพของมันอย่างนั้นไม่ว่าจะของข้างนอกกายของเราในกายของเราก็เอาิที่ในร่างกายของเราแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็เหมือนกัน มันเป็นโลกเกิดขึ้นมานี่ยทำไมถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของมันทําไมจึงให้มันเป็นโลกอืมทาไมมันจึงให้มันเป็นโลกเนี่ยอของเขาอย่างนั้นร่างกายก็เป็นดินน้ําไฟลมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราเกิดมาในที่นั่นเราก็คิดว่าอันนั้นเป็นของเราเสร็จแท้แย่งเถียงกับสังขารอยู่ตลอดตาตลอดเวลาอย่างนั้นผลที่สุดเนี่นก็สู้ไม่ได้สักทีหนึ่งต้องแพ้สังขารทุกทีทุกปีละ่ะ ผลที่สุดล้วก็ไปอยากกันไปถึงข่าวถึงสมัยเราก็ต้องไปไม่ว่าอจะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ให้ลูกฉันโตซะก่อนให้ฉันร่ํารวยซะก่อนอันโน้นอันนี้ถึงไม่ได้ไม่ได้เมื่อเขาจะเอาไปเขาก็เอาไปเท่านั้นแหละบ่าเมียฉันจะอยู่ยังไงลูกฉันจะอยู่ยังไงพ่อฉันจะอยู่ยังไงแม่ฉันจะอยู่ยังไงเขาไม่ถามถึงแล้วความจริงมาถึงแล้วก็ไปกันอย่างนี้ อันนี้ถ้าเราคิดเช่นนั้นแล้วก็กิงเข้ามาในธรรมะมืากินเข้าในธรรมะเช่นนั้นนะก็คล้ายๆกับเราเห็นงูอสรพิษงูเห่าที่มันรื้อด้วยงูเห่ามันมีพิษเนี่ยอ่มันมีพิษถ้าเราไม่รู้จักมันหรือเราไม่เห็นมันนะมันอาจชกเราได้มันกัดเราได้เราไปเหยียบมันไปกรำมันได้ทีนี้เรารู้จักว่างูอสรพิษนี่คืองูเห่าเนี่ยมันมีพิษแต่เรามองเห็นเป็นแสี้ยกร มันเลื้อยมาขังหน้าอ้าวนังงูแล้วนั่นอย่ากลัาไปใกล้มันนะนี่แล้วก็จัดการให้เราห่างจากอสารพิษนั้นสารพิษก็ไม่ได้ชบเราไม่กัดเราพิษงูก็ไม่มาถึงเราถึงแม้ว่ามันมีพิษอยู่ก็ไปตามเรื่องของมันเฉ่นั้นน่ะมันไม่ถึงเราอันนี้ก็ฉันนั้นเพราะเราป้องกันตัวเราแล้วอะอันนั้นมันเป็นพิษเราไม่เข้าใกล้มันดีจากมันเสียมันก็ไม่มีพิษมีอยู่กัเหมือนมันไม่มีมีมันก็อยู่กับงู มันไม่พ้นพิษมาถึงเราเราก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้ก็ชันในชันนานร่างกายจิตใจนี้ก็อสรพิษอย่างหนึ่งเหมือนกันเคยเห็นไม่ร่างกายมันอสรพิษนะบางทีก็มันก็ปัสจาโรคภัยแข็งแรงเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสบางครั้งมันก็เป็นโรค อ, อ, อดๆแดดๆร้องไห้ไปได้เจ็บปวดนั่นคืออสรพิษเรื่องจิตใจนี่ก็เหมือนกัน ถ้ามันได้อารมณ์ดีแล้วก็ดีหรอกมันแขชั่วหรอกถ้าที่อารมณ์ไม่พอใจแล้วนี่นอนน้าตาไหลอยู่นั่นแหละมันเป็นพิษอย่างนั้นอรรพิษมันกัดไม่รู้จักอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านในศึกษาธรรมะให้รู้จักกายกับใจของเรารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจัง ทั้งกายและจิตนี้รวมแล้วร่วนจะมีของไม่เที่ยงถึงนั้นเนะอืมีแล้วก็หาไม่เกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วหาไม่เกิดแล้วรับไปมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลาอั่นนั่นอมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเรารูเพลินเผินเก็ดูมันมันเป็นของจริงจังถ้ารูให้ถึงที่มันแล้วก็มันเป็นของสักแต่ว่าเอกายสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกเท่านั้นเอง ผลที่สุดแล้วนะอะถ้าเราไม่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้สิ่งทั้งหลา ย, ยนี่มันจะเป็นพิษเหมือนงูอสราพิษมันกัดเรานั่นแหละเพราะเราไม่รู้มันเราถึงไปหยียบมันหรือไปจับมันก็กัดเราเรื่องจิตใจนี่ถ้าเราไม่รู้จากเรื่องของเจตัหาแล้วมันก็เป็นทุกข์เมื่อสังขารร่างกายเนี่ยมันแปรไปตามธรรมชาติต่างๆแล้วก็ร้องไห้เสียอกเสียใจหลายอย่างหลายประการ อันนี้เรียกว่ากายเราเป็นผิดจิตใจเรานี่กคือมันการเมื่อคิดไปถึงอย่างหนึ่งคิดนี่มันทุกข์มันก็ทุกข์เข้าไปคิดให้ทุกข์เห็นมันผิดจนทุกข์จนน้าตามันไหลออกอือันนี้ด้วยแต่เราคิดเอาถึงนั้นเลยลองลองดูสิบางทีคิดไปคิดมาคิดไปคิดกลัวไปอยู่ที่มือกลัวกลัวก็มีผีเท่านั้นแหละกลัวแลยวิ่งคิดเอาแล้วก็วิ่งคือความคิดเอาเกิดขึ้นกับจิตของเราที่มันโง่นั่นแหละ กลัวมันถ้ามันกล้ามันก็คิดเอาให้มันกล้ามันกล้ า, าหานขึ้นมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอยู่ยไม่แน่นอนสักอย่างหนึ่งมิฉะนั้นวันคนของเรานั่นมันยี่สิบหกวันเป็นวันพระอยู่สีวันท่านพิงอบรมว่าให้มาวัดหรือไม่มาที่วัดก็ให้รู้จากวัดคือข้อปฏิบัติอยู่ที่บ้านของเรา มันเป็นวิธีแบ่งวันพระเป็นวิธีแบ่งหรือเป็นวิธีลบมาเทศมาฟังเทศกับพระทันเทศวิธีแบ่งไม่เอาหมดแต่ตามใจมนุษย์เราถนัดมันต้อง ม, มีวิธีคนนูนรรตรงนั้นน่ยไม่รู้ไปอยากใส่ตรงไหนไม่มีทำไมเลขวิธีบวกวิธีลบวิธีหารวิธีคูณอย่างนั้นนะ ถ้าหากว่าใจมนุษย์มันมีมีวิธีคูนอย่างเดียวไม่ต้องแบง่งแลี่ก็ไม่ต้องลบทําไมไมันจะไม่ทุกขล่ะจะไปใส่ตรงไหนมันจะพอล่ะมีไหมจํานวนเลขมีไหมมีวิธีคูนอย่างเดียวไหมถ้ามันมากกันก็ให้ลบมันมากกันก็ให้แบง่งให้มันพอดีหาความพอดีของจํานวนของเลขกลันแหละเราไม่เอาอย่างงั้นอ่ะคูนจะพึ้นทั้งนั้นอ่ะเออ ไม่ได้ฟังเสียงใครนะไม่ต้องแบง่งใครแล้วไม่ต้องลบออกแต่แบกมันจะพึ้นเลยถ้าไมมันจะไม่ทุกข์หรืรถสิบล้อมันก็พังทั้งนั้นนะไม่มีเหลือแล้วขนใส่มาหยุดเนี่ยร่างกายจิตใจคนเรานี่เหมือนกันฉะนั้นธรรมะนี่ก็เรียกว่า B ีทีแบง่งหรือทีทีลบเพื่อราคะเพื่อโทสะโมหะมันมากขึ้นมาก็ให้แบ่งมั่งอย่างเรามีลูกชายคนนี้หรือมีลูกหญิงคนนี้มันดีสอนมันได้ตลอดมาลูกชายคนนี้ มาอีกวันหนึ่งเท่านั้นสอนไม่ได้มันไม่ไปพ่อแม่ก็โกรธใชแล้วทำไมไม่เอามาบวกกันทีเนี่ยเราใช้มันมาตั้งสี่เดือนห้เดือนมันไปทั้งนั้นมันฟังความทั้งนั้นน่ะวันนี้พูดวันเดียวเท่านั้นมันไม่ไปทำไมถึงไปเกลียดมันนักหนาล่ะทำไมถึงไปฆ่ามันจึงไปไล่มันหนีล่ะทำไมไม่เอาที่เอาวันหลังๆที่เราใช้มันมาเอามาบวกเขากันบ้างทาไม อันนี้มันทําผิดวันเดียวทําไมถึงโกรธหนักโกรธหนาล่ะถ้าเป็นไงเอามาบวกกันบ้างสิเอามาแบ่งออกบ้างสิก็เราเนี่ยเนี่ยมันคิดไม่ค่อยจะดีเราไม่ค่อยลบมันไม่ค่อยแบ่งมันมีแต่ทําวิธีคูนทั้งนั้นมันก็ตายแนี่ยคนไม่มีเหลืออะไรมันจะเหลือแล้วลองลองดูเสียแล้วก็ต้องบอกมันทีวันนี้ใช่มันไม่ไปเออเราใช้มันมาตั้งหลายเดือนเนี่ยมันฟังทั้งนั้นมีวันเดียวเท่านี้แหละให้อภัยมันเถอะ อันนี้มันก็เรียกว่าลบมันดิหรือแบ่งมันวันนังก็ใช้มันอีกได้อันนี้มันใช่มันมาตั้งหลายปีแต่วันเดียวมันพูดไม่เชื่อเท่านั้นเน่ยโกรธให้มันนะเนี่จะทํายังไงมันแล้วอันนี้เป็นเพราะเราด้วยนะเนี่อย่าลืมดิธรรมะก็เหมือนเหมือนจํานวนของเลขมันมีวิธีคูณมันมีวิธีแบ่งมันมีวิธีบวกมันมีวิธีลบถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้นะเราคนนั้นจะเป็นคนที่ฉลาด เป็นคนที่ฉลาดรูด้จักการรู้จักเวลาควรที่ลบก็ลบควรที่แบ่งก็แบ่งควรที่จะคูนก็คนูนควรที่จะรวมกันเข้าก็ารวมกว็เป็นอย่างนั้นอันนี้คูณทุกทีนะออใจคนหนึ่งมันจะตายแล้วนะั่นคือเรื่องไม่รู้จักพอนั่นเองนะคนไม่รู้จักพอก็คือคนไม่รู้จักแก่ คนไม่รู้จกแก่ไม่รู้จักพอคนรู้จะแก่ก็คือคนรู้จกพ่อนี่ถ้าพอแล้วกับคำที่ว่าเอาละมันก็พ้นขึ้นมาเห็นไหมล่ะคำที่ว่ามันไม่พอหรือคำที่ว่าเอาละนี่มันไม่พ้นแล้วมันไม่ขึ้นมาแล้วมีแต่แบกไปทพึ่งถึงนั้นแหละถ้าหารู้จกพอเดีวเอาละถ้าเราบอกเอาละก็เดียสบายมันพอแล้วนี่คำที่ว่าเอาละนี่มันพอมันพ้นขึ้นมาอันนี้ไม่เคยเห็นสักทีหนึ่งเลย ไม่เคยเวียงไม่เคยปงไม่เคยวางมันทั้งนั้นเนอืยเอาตลอดไหนไปไหนก็ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยอาตมาเห็นยายคนหนึ่งนะคือคนไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มนะมีลูกชายคนเดียวนาก็มีหลายทุ่งบ้านก็มีหลายหลังเอยายคนนั้นก็คิดไปคิดไม่ม้เมื่อเราตายจะทําไงเนอ้อลูกลูกมันจะมีทิ้งเข้าของหมดเล ย, เลยคิดไปจริงๆไม่ได้เราะ จะต้องแต่งงานเนีมันจะ้ะมันจะจะได้อยู่บ้านอยู่ช่องนีก็เลย ไ, ไปแต่งงานให้มันลูกชายคนเดียวเนะียพอมาแต่งงานให้มันซะนนแล้วก็นึกว่าจะพอไม่พอคิดไปอีกแล้วอืมหากว่าลูกชายเราตายจะทําไงนีลูกสะพ้าจะเอาไปคนเดียวหมดจะมา้เนี่ยเป็นทุกข์อีกแล้วคือไม่ดูจากพอถ้ามีลูกชายไม่มีลูกสะพ้ายก็กลัวมันจะหนีไปเที่ยวไปเกย หาลูกสะพ้ายมาให้หาเมียมาให้มันก็คิดไปอีกว่ะเมื่อลูกชายตายทําไงเรามันแย่ไม่มีใครเฉลีลูกสะพ้ายอคนอื่นก็มาเอาไปหมดเท่านั้นเนี่ยรีด ล, ลนมาอีกซะแล้วอันนี้มันตัวจริงนะใจนิทานนะนี่นะอืมก็ได้ขึ้นมาฮาตมาอยู่ที่วัดมากราไปมาเล่าให้ฟังน้งพ่อมันเป็นอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นจะทํายังไงอ่ะเล่าไปมีลูกชายคนเดียว มันไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่ช่องของก็มากอืมที่ฉันว่ามันจะไม่คุ้มของไม่รักษาของไม่คุ้มก็คิดว่าไปแต่งงานในมันซะก็นึกว่ามันจะแล้วไปแต่งงานเนี่ยความคิดใหม่มันพ้นขึ้นมาอีกเมื่อลูกชายเราตายจะทำไงนะ่ะดกจตะไพก็เอาไปกินหมดทล้วนั้นเนี่ยแน่ <laughs> ไม่จบโยมคิดอย่างนี้อัตมาก็ก็โจนใจเหมือนกันนะอืมนั่น น่าจะไปโน้นนังไปเข้าไปฟังเทศอยูุติวัดอศสีมหาโพนี่ดีกว่าเนอะมังเนี่จะเอาที่ตรงไหนล่ะคือนี่เรียกว่าไม่พอเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวก็ไม่พอแล้วก็เป็นไปอย่างก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเดี๋ยวนี้ก็นานะเห็นจะเห็นจะตายแล้วฟันนี่นะออไม่เห็นมาล่ะนี่คือมันกลัวไม่หยุดอันนั่นเป็นยังั้นต่อไปตรงนั่นจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเลยวุ่นตลอดเวลาเลยเป็นทุกข์ไม่ได้อยู่เป็นสุขเลย อันนั้นเรียวกว่าคนไม่รู้จกพออืมไม่รู้จักพอจะให้มันเป็นไปติดต่อหนอเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากลําบากมิฉะเนตรองค์สมเด็จปฐมมาสัมพุทธเจ้าอบรมไปในปัจจุบันนี้อบรมไปเรื่อยๆไปให้รู้เห็นในปัจจุบันของเรานี่แก้ปัญหาในเฉพาะในปัจจุบันเหมือนเรานี่แหละใหญ่มันเป็นทุกข์เลยให้แก้ปัญหาหมันได้ในปัจจุบันนี้อืมถ้าคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่จบมิฉาเนตรการฟังธรรมะ นี่อาตมาว่ามันไม่แปลกกันก็จํานวนของเลขวิธีทําเลขมันมีวิธีบวกมันมีวิธีลบมันมีวิธีคูณมีวิธีหารแบ่งออกให้มันได้จํานวนของมันอ่าความคิดความรู้สึกของเรานี้ก็ต้องทําอย่างนั้นอืมต้องทําอย่างนั้นอย่าไปโทษมันดื้อสิให้โทษมันรื่อยไม่ได้เราต้องแบ่งภาระให้รู้จักการรู้จักเวลาสมควร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 ทำมาหากินอยู่ไปไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนก็จะได้เห็นว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงพนขึ้นมาถ้าไปยึดมันถือมันมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปนั่นก็ดูที่ชาวพุทธเดาน่ะอัตมาก็มาคิดดูที่ว่าตั้งแต่อัตมาเกิดมานี่น่ะอคนเราน่ะมันพระพุทธเจ้าต่ัสสอนมามันเกิดแล้วมันแก่มันเก็บแล้วมันก็ตาย ฟังกันทุกคนทุกคนล่ะพ่อแม่เราเสียไปญาติพี่น้องเราเสียไปไปทำศพกันเนี่ยเอาพระไปเทศสังประเท ศ, เทศใ้ฟังนะแล้วท่านทุกระเทศในฟังด้วยมันก็แก่เก็บตายตายแล้วก็เห็นด้วยแต่ว่าตายทุกคนร้องไห้ทุกทีไม่รู้ว่าเป็นย mm. ังไงพระต่างประเทศในฟังอยู่ดีด้วยนะญาติเราทุกคนพี่รักของเราทุกคนจากเราไปร้องไห้ทุกที ไม่ได้ภาวนากันหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้คิดกันมั่งหรือยังไงก็ไม่รู้ท่านมามันเป็นของไม่เที่ยงท่านก็บอกเราก็เห็นอยู่มันก็เปลี่ยนอยู่อย่างนั้นเราก็ยังไม่พิจารณานะก็มีความโศกเศร้ามีความน้อยใจมีความพิรั ย, ยลําพันธ์อยู่ตลอดการตลอดเวลาตลอดยุคในปัจจุบันนี้นะบ้านอาตมานี่ย บ, บ้านก่อนเนี่ยสมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กเนี่ยนะคนในบ้านตายเนะี่ยโอ้ยมันร้องไห้จะตั้ตงห้าวานัวานหกวันไม่รู้ว่าเป็นยังไง เราก็เห็นว่าคนตายไม่ไม่คืนมาเห็นทุกทีแต่เราก็ไม่จําทุกทีมันขาดการภาว น, นาขาดการพิจนารณามาสมัยนี้อาตมามาสงเคราะห์ญาติอยู่วัดน้องประพงเนี่ยประมาณสักสามสิบปีมาแล้วเนี่ยนะอ่าญาติพี่น้องเสียไปนั่นพ่อแม่พี่น้องเสียไปไม่เคยเห็นญาติโยมร้องไห้อืไม่เคยเห็นร้องไห้ก็นิดๆใน น, น, น้อยๆแต่น้ำตาไหลนิดเดียวเท่านั้นก็พอ สมัยก่อนมันร่องมันร่องตะโกนอยู่ทั้งคืนก็ทั้งวันจนลําคาญอันนี้ก็อาจจะมาเห็นว่าที่เรียกว่าที่ได้มาอบรมกันเนี่ยเห็นประโยชน์ส่วนนี้สุพอสมควรคือได้ยินบ่อยๆได้ฟังบ่อยๆเมื่อได้ยินบ่อยๆเมื่อได้ฟังบ่อยๆมันกับความรู้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆความรู้เกิดขึ้นบ่อยๆความฉลาดก็เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อความฉลาดเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเป็นต้น มันก็ความพ้นทุกข์มันก็เกิดมีมาดีๆอี้ฉะนั้นมันดีแล้วพวกเรามันมันได้ส่วนแบ่งส่วนแบ่งจากปาาด์ทั้งหลายว่าเดือนหนึ่งเราได้ยี่สิบหวันให้มาอบรมสี่วันให้พิจารณามาให้พระให้ความเห็นให้ไปคิดให้ภาวนาพิจารณา ถ้าหากว่าท่านมอบให้เราหมดทั้งสามสิบวันก็คงจะแย่แล้วมั้งนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนี่เดือนหนึ่งสาสิบวันท่านให้เรายี่สิบหกวันทํามาหากินก็พอแล้วถ้านให้มาอบรมเป็นวันพระสี่วันอย่างนี้ก็พอสมควรพระจะรู้จะเห็นนี่แต่สมัยนี้มาขโมยวันพระไปหมดเลย แ, ลแบ่งกันข้างหนึ่งเอายี่สิบหกวันข้างหนึ่งเอาสี่วันโยมเราโดยมากบางแห่งมาขโมยวันพระไปหมดแล้วไม่มีเรือ คือวันพระก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเขาวัดพังธทมไม่รู้จักอะไรต่ออะไรเป็นอยู่อย่างนั้นเลยเหมาเอาทั้งหมดทั้งเดือนทั้งสามสิบวันเอาคนเดียวหมดโดยดูที่ทุกวันนี่ไปดูวันพระตามวัตกรรมวาเนี่ยญาติโยมจะเขาวัดฟังรรมฟังเทศไม่ค่อยจะมีหรอกเอาหมดเอาทั้งสามสิบวันแต่มาว่าท่านแบ่งให้ยี่สิบหกวันก็พอแล้วพอควรแล้วพระท่านเอาไว้สี่วันให้มาอบรมเนี่ยนี่ก็ก็พอสมควรเนี่ยมากพอควร ในสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นโดยมากการฟังธรรมนี่ก็ให้ประโยชน์เราถ้าเราไปพิจารณานะมูตั a จะภะวัตุอรหัตตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะมตัจจะภะวัตุอรหัตตสัมมาสัมพุทธาาัสสะุดังธรรมังสังขังนะมะชามิ อิตุบาลังส ก, กจังธรรมโมโสตโพติเอาวันนี้เป็นวันพระซึ่งนับเนื่องมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าวันนี้เป็นวันสาคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่จะพวกชาวพุทธเราจะมาทำความเข้าใจกันในธรรมะซึ่งให้เกิดประโยชน์แก่พุทธบริษัททั้งหลายธรรมะซึ่งเป็นสัจธรรมนำจิตใจของประชาชนชาวพุทธทั้งหลายนั้นให้รู้ถึงถึงความสงบระงับ ให้รู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษพอที่จะรักษาตัวได้ในชีวิตที่เป็นอยู่ความเป็นจริงนั้นวันพระทุกวันนี้เกือบจะไม่มีเป็นวันพระเพราะว่าคนเราไม่สนใจไม่ยอมรับ ธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ยินอยู่แต่ไม่รู้รู้อยู่แต่ว่าไม่เห็นเห็นแต่ว่ามันไม่รู้ก็หมายความ ม, ามันไม่ทางรู้ทางเห็นเห็นอะไรเห็นความจริงเห็นสัจธรรมความเป็นจริงอันความจริงนั่นจะทำอยู่คนเดียวมันก็จริงจะทำอยู่หลายคนมันก็จริง เราทําที่มันจริงแล้วอคนอื่นจะว่าไม่จริงมันก็เป็นของจริงอันนั้นเรียกว่าของจริงมันไปทําอยู่ที่บนอากาศมันก็เป็นความจริงมันจะไปทําอยู่ในน้ํามันก็เป็นความจริงจะทําอยู่บนบกมันก็เป็นความจริงมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจริงบ่อยธรรมนั้นนะ่ะมันเป็นความจริง З, จริงทุกการทุกเวลาที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่วานนี้มันก็เป็นความจริงในปัจจุบันนี้มันก็เป็นความจริงอนาคตมันก็ยังเป็นความจริงหมายความว่าเราจะทำความผิดไม่มีใครเห็นมันก็ยังเป็นความจริงเราจะทำความถูกอยู่ไม่มีใครเห็นมันก็เป็นความจริงมิฉะนั้นคนเราเมื่อจะทำความดีนั้นอ่ะไม่ต้องให้คนอื่นเห็น บางคนทําคนงามความดีก็ต้องการอยากให้คนอื่นเห็นให้คนอื่ น, น, นเป็นพยานเราจึงจะดีอกจึงจะดีใจอันนั้นก็ดีอยู่แต่ว่ามันยังไม่จริงไม่บรรลุถึงความจริงจริงๆใ้ความจริงนั้นเราจะไปรอบทําอยู่คนเดียวทําความชั่วมันก็ชั่วอยู่นั่นแหละทําความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นมันก็ยังดีอยู่นั่นเองแหละมันเป็นแสอย่างนี้ ไม่ต้องว่าเราทำความชั่วคนเห็นแล้วมันเพิ่มชัว่วขึ้นอีกไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเราทำความดีจริงเมื่อคนเห็นแล้วมันเพิ่มความดีขึ้นอีกมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นซะอย่างนั้นอันนี้ถ้ากว่าไอ้ความดีที่เราทั้งหลายที่พฤติปฏิบัติกันแล้วมิฉะนั้นมันจึงตรดทึ่งราบหรือยสศสรรเสริญนิ น, นทาสุขทุกข์ไม่มีทีรั ทำดีมันได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วอันนี้มันเป็นความจริงแต่พระพุทธองค์ท่านตรัสอยู่อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านทำความดีท่านรักความชั่วท่านออกไปบาเพญ็ญนั่งหลับหูหลับตาที่ไหนไกลรูปเสียงกลิ่นรดท่านก็ยังมีความดีสาวกทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแต่่าคนเราทุกวันนี้จิตใจไม่แน่นอน ไม่มีศรัทธาอย่างเป็นจริงทำอะไรที่เราทำความดีอยากจะให้คนเห็นถ้าคนไม่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจอย่างนี้ทำความชั่วก็เหมือนกันไม่ให้คนเห็นถ้าคนเห็นเนี่รู้มันจะ เ, เป็นยังไงก็ไม่รู้ทำความชั่วที่คนไม่เห็นนั่นมันดี <c oughs> อย่างนี้ไอ้ความมันเป็นขโมยในตัวของเราอยู่อย่างนี้ตลอดการตลอดเวลานั่นคนเราจรึงไม่พบความจริงคือธรรมะ ความเป็นจริงธรรมนั้นมันมาตกลงอยู่ที่จิตของเราอย่างการกระทําบุญน่กะการทาบุญยทุกชิ้นทุกส่วนนั่นน่ะก็เพื่อจะให้จิตเราเป็นบุญเมื่อจิตเราเป็นบุญแล้วเราจะนั่งอยู่มันก็เป็นบุญจะเดินอยู่มันก็เป็นบุญจะไปที่ไหนมันก็เป็นบุญคนพูดที่รู้จักบุญอถึงแม้คนอื่นไม่เห็นมันก็เป็นบุญคือความเห็นชอบอยู่ที่ตรงจิตใจของเรา การทำบุญทั้งหมดนั้นต้องการให้จิตเรามันเป็นบุญถ้าจิตเรามันเป็นบุญแล้วไปอยู่ที่ไหนทำบุญอยู่ที่ไหนแล้วมันจะเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ต้องฉลองไม่ต้องให้คนรู้ไม่ต้องให้คนเห็นไม่ต้องมีอะไรไปเพิ่มเติมมันเถอะมีกำลังจิตใจเราเชื่อมั่นในความดีแล้วเราก็ทำไปเท่านั้นแหละมิฉะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านจึงทำความงามคุณงามความดีของท่านนะ่ะอยู่ที่ไหนท่านก็ทำของท่าน ใครจะว่าไม่ดีสักเท่าไรมันก็ดีอยู่นั่นแหละเมื่อทำสิ่งที่มันไม่ดีเขาจะว่าดีอยู่แค่ไหนมันก็ไม่ดีอยู่แค่นั้นอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่จะให้พวกเราทั้งหลายทำความเข้าใจในธรรมะถ้าเราเข้าใจธรรมะมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปท่งจิตใจของเราออกไปข้างนอกเราอยู่ข้างในของเราทำจิตให้มันเป็นบุญ เช่นสแสวงหาบุญนอกใจของเจ้าของมันก็ลาบากเหมือนแม่นั่งรถนั่งเรือวิ่งไปวิ่งมาตลอดการตลอดเวลาอย่างญาติโยมเข้ามาทําบุญกันได้เนี่ยไปทอดกันถินตรงนั้นไปทำผ้าป่าอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ฟังทำหรอกอืมพอไปนั่งกราบพระแลรีบรีบจะไปแล้วมันรถเขาเช่ารถเข้ามาเกิดเลยรีบไปนั่งก็รีบรีบรุกลุกแล้วก็รีบเดินเหนือเหนือรีบวิ่งเย รีบไปรีบมารีบไปรีบมาอะไรต่รีบเท่านั้นอ่ะไม่ไม่ได้อะไรเป็นสาระประโยชน์ในด้านจิตใจของเราในนั้ น, น, นอันนี้คือคนเราวิ่งหาบุญบุญกุศลแท้ๆนั่นน่ะไม่อื่นไกลดอกในหลักพุทธศาสนาพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงค์หนึ่งเมื่อบุคคลมาทําจิตใจให้เชื่อมั่นในคุณพระรัตนาตายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นแฟ้นแล้วเท่านั้นน่ะเท่านั้นก็ไม่ตกนรกละ ไม่ต้องอื่นไกลล้วเชื่อมั่นไม่งมงายนี่อันนี้เป็นหลักที่สาคัญสมัยนี้ชาวพุทธเราทั้งหลายนั่นมันเป็นของยากเป็นของลำบากถึงแม้จะทำบุญถึงแม้จะฟังธรรมถึงแม้จะสั่งคนงามความดีจะต้องให้คนอื่นบังคับจับมือถ้าคนอื่นไม่บังคับไม่จับมือแล้วก็ไม่ทำไม่ยอมทำไม่กล้าทำในชีวิตนั้นธรรมะอันแท้จริง มันจึงไม่เห็นเราจรึงไม่เห็นมาทําในจิตใจของเรานั่นเองฉะนั้นจิตใจของเรานี่ถ้าเรามาพินิจพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่อยู่ที่อื่นหนอกบุญบาปมันอยู่ที่จิตใจของเราฉะนั้นพระพุทธองค์ท่าคนค้นจิตของเรานั่นกับธรรมะจิตเรามันไม่ได้ฝึกอจิตเรามันไม่ได้ฝึกเราจะไปเชื่อจิตของเราอย่างเดียว ว่าเราชอบอันนี้ว่ามันดีบางทีมันก็ชอบอันผิดๆนั่นนะว่าดีแต่ว่ามันดีเฉพาะใจของเราแต่ความจริงมันเน้ขาดจากธรรมะมันเป็นของไม่จริงโดยสัจธรรมมิฉะนั้นต้องเอาจิตของเราน้อมเข้าไปสู่ธรรมะอย่าดึงธรรมะเข้ามาสู่จิตของเราเราต้องดึงจิตของเร า, าเข้าไปสู่ธรรมะอย่างผู้น้อยต้องน้อมเข้าไปหาผู้ใหญ่ ไม่ต้องให้ผู้ใหญ่น้อมมหาผู้น้อยเราเป็นสาวกพระพุทธองค์ของเราจะจะน้อมเข้าส่งถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้าน้อมมหาสาวกอย่างนี้มันเป็นธรรมเนียมมาต่ดึกดำบันมาแล้วธรรมะก็ดีเป็นของที่ส่งสู์สุดกับตัวเรานี่มันเป็นคนที่ไกลก า, กากจากธรรมะเมื่อเราอยากจะเห็นธรรมะเราไม่ความดึงธรรมะเข้ามาใส่ใจเรา ไม่ให้ธรรมะน้อมมาใส่ใจเราให้ใจเราน้อมกลับไปหาธรรมะเพราะธรรมะมันเป็นสัจธรรมจิตใจของเราเป็นต้นมันจิตใจยังไม่ได้ฝึกฝนให้มันเป็นธรรมมิฉะนั้นเป็นต้นว่าเราชอบอันนี้อันที่เราชอบนั้นจะว่าดีหรือรือมันก็ยังไม่ใช่ดีก็เฉพาะจิตใจที่เราว่ามันดีที่เราชอบมันบางทีเราชอบของไม่ดีก็เข้าใจว่าของดีชอบของผิดผิดก็นึกว่ามันดี แต่ว่ามันความเห็นว่าดีนะ่นคือจิตของเราไม่รู้จักฉะนั้นจิตของเรายังไม่ฝึกฝนจิตที่ฝึกฝนดีแล้วนั่นน่ะมันจึงเข้าสู่ธรรมะน้อมจิตเราก็ไปหาธรรมะเช่นก่อนเพื่อจิตเราให้กลมเกลียวกับธรรมะให้จิตมันเป็นธรรมให้ธรรมมันเป็นจิตให้จิตมันเป็นธรรมมันจะนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ที่ไหนมันก็เป็นธรรมมันจิตเป็นธรรมความคิดเรามื่อก่อเป็นธรรม สภาวะที่เราคิดนั่นมันก็เป็นธรรมมันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมอย่างนั้นอันนี้ก็มันการฉันนั้นมิฉะนั้นมันเนื้อจิตของเจ้าของนั้นบางทีมันก็ไม่เป็นธรรมะเราก็ไปคิดว่าสิ่งที่มันผิดนั่นว่ามันถูกอันนั้นเราก็ชอบเขาอย่างนั้นมิฉะนั้นท่านจะไงฟังธรรมะฟังธรรมเพื่อให้มันรู้จักธรรมะให้รู้ให้เห็นธรรมะอยู่ที่ใจ โงมันอยู่ที่จิตใจของเราความฉลาดมันอยู่ที่จิตใจของเราความมืดความหลงมันอยู่ที่จิตใจของเราไอ้ความรู้ความสว่างมันอยู่ที่จิตใจของเราเหมือนกับที่ว่าอาจานที่ใบหนึ่งที่มันสกปรกหรือพื้นฐานที่บ้านหรือศาลาเราเนี่ยมันสกปรกมันถูกน้ํามันหรือมันถูกเครื่องสกปรกอันใดอันหนึ่งมันก็สกปรกอยู่ที่มันสกปรกนั่นแหละเมื่อเราอยากจะให้มันสะอาด แล้วก็เอาน้ํามาสาดมันใช่เอาน้ํามาล้างมันใช่ไอ้ของสกรปรกนั้นมันก็หายไปเมื่อของสกรปรกหายไปคือความสะอาดในพื้นศาลาพื้นบ้านของเรามันก็สะอาดขึ้นมาเราก็จะเห็นในว่าไอ้สิ่งที่มันสกรปรกนั่นก็คือจิตของเราถ้าหากว่าเราทําความถูกต้องนี้แล้วไอ้ของที่สะอาดมันก็ยังมีอยู่เหมือนพื้นศาลมันสกรปรกเพราะอะไรต่างๆที่มันในสกรปรกนั้น มาเช็ดมาร่างไอ้สิ่งที่มันสกปรกกันออกความสะอาดมันก็พลขึ้นมาอยู่ที่นั่นที่ของสกปรกมันปกปิดอยู่นั่นเองไอ้ความชั่วไอ้ความดีของเราทั้งหลายของมอนกันฉันนั้นความชั่วอยู่ตรงไหนความดีอยู่ตรงนั้นความผิดอยู่ตรงไหนความถูกอยู่ตรงนั้นความสกปรกอยู่ที่ไหนความสะอาดมันก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันฉันนั้นจิตใจของเรานี่ยของมือนกันฉันนั้นธรรมชาติจิตของเราจริงๆนั่นอะ มันเป็นจิต ท, ที่สม่ำเสมอมันเป็นจิต ท, ที่ไม่เศร้าหมอ ง, องเป็นจิต ท, ที่ผ่องใสขาวสะอาดอยู่อย่างนั้นที่จิตของเรามันเศร้าหมองนี่ก็เพราะเราว่ามันไปพบกับอารมณ์พบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจของเรานั่นแหละก็ทำใจของเราให้ขุ่นมัวทำใจของเราให้เศร้าหมองทำใจของเราไม่แหสะอาดทำใจของเราสุกกระปกนี่เพราะอะไรไม่ใช่จิตของเรามันสุกกระปก เพาะจิตของเรามันยังไม่แน่นอนไม่เชื่อมั่นในธรรมตั้งหลายนั่นเองกับอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจใจเราก็เศรามองอารมณ์ที่เราชอบใจใจเราก็ปองใสมันก็เปลียนอย่างนั้นฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านให้ปฏิบัติไม่ใช่ให้พูดเฉยๆให้ปฏิบัติคือให้ทําความเป็นจริง เช่นว่าเราสมทานถึงศีลอย่างนี้เป็นต้นดังว่าปานาอัินากาเมมุสาสุรานี่เรียก ว, ว่าศีลคําพูดถึงศีลไม่ใช่ตัวของศีลสภาวะของศีล น, นั้นมันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งสภาวะของศีล น, นั้นไม่ใช่ว่าการพูดมันเป็นการกระทําจริงๆเช่นว่าไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เราก็ไม่ฆ่าจริงๆอย่างนี้ไม่กินสุราเราก็ไม่กินจริงๆ ไม่พูดโกหกเราก็ไม่โกหกจริงๆอย่างนี้เราไม่ขมโมยของคนอื่นก็ไม่ขมโมยจริงๆไม่ใช่ดีแต่พูดเฉยๆ people, สินมันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ตรงที่กระทําไม่อยู่ตรงที่พูดพูดนั้นพวกชี้ให้เราเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอัน น, นั้นมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราตกลงใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยแล้วก็ลงมือกระทํำเลยลงมือประพฤติเลยลงมือปฏิบัติ uit, เลยกระทาเลย อันนั้นเนี่เกิดเป็นผลขึ้นมาคือการกระ ท, ทําเช่นนั้นอันนั้นเทนว่าก้อนศีลที่เราพูดตามภาษาของเราเนี่ยมันก็ลาบากอยู่ถึงมันพระไปรักษาศีลไปรักษาศีลไอความเป็นจริงนั่นมันเป็นคําโพูดที่ตอบเรื่อยๆกันมาเป็ น, เ ป, นเป็นประเพณีวันนั้นไปรักษาศีลเมื่อเราเพ่งความหมายแล้วกศีลน่นนะเห็นจะโง่กว่าเราเนอะมั้งเนี่ยเราจะต้องไปรักษาไหม ท่านนกเพ่งไปแล่วน ะ, ะสินคงจะไม่ดีขนาดเราเราตึงไปรักษาสินเนี่ยมันจะไปอย่างนั้นถ้าเราพูดตามความเป็นจริงแล้วสินนั่นโอ้ยเราไม่ต้องไปรักษาท้านอกท่านดีแล้วมารักษาตัวเรานี่เองอรักษาตัวเรารักษากายวาจาใจของเรานี่ดีแล้วมันก็สินก็เกิดขึ้นมาเราไม่ต้องไปรักษาสินไปรักษาตัวของเรานี้ คำพูดอันนี้มันพูดสูงเกินตัวไปใช่ไหมว่าเราก็ไปรักษาศีลบางคนไม่รู้จกักศีลเลยก็เข้ามาวัดไปไหนไปรักษาศีลไปรักษาศีลก็คิดว่าศีล น, นั่นมันเป็นของยากมันเป็นของลําบากมันเป็นของสอนยากไอ้ความเป็นจริงมันจะท้อนกลับมาแล้วว่ามารักษาตัวเรานั่นเองเมื่อรักษาตัวเราดีไม่มีโทษศีลนั่นก็เกิดขึ้นมาที่ตรงนั้นแต่ น, นั้นศีล น, นี่มันจึงไม่อยู่การพูดอยู่กับการพูดมันอยู่กับการกระทํา องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้ฟังอย่างนี้ให้ความดีเขาไปฝังในใจถ้าความดีก็ไปฝังในใจแล้วไอ้ความทุกข์มันก็ถอนออกไปห่างออกไปมันเป็นฉะนั้นทีนี้เรามองไม่เห็นไอ้สิ่งที่ในมันเบาที่สุดมันก็เห็นเป็นหนักสิ่งอะไรมันหนักก็เห็นมันเป็นเบาสิ่งอะไรที่มันผิดแล้วก็เห็นว่ามันถูกสิ่งอะไรที่เห็นว่าถูกอะไร ม, มันผิดนั่นอย่างอตมายกตัวอย่างให้ฟังว่า วันหนึ่งนั่งอยู่ในวัดลอา น, นี้แะมีโยมคนหนึ่งมาจากอำนาจเจริญเราเคยเป็นเราเคยเป็นปราชญ์มาเคยบวชเป็นพระมาออกเป็นคารวะกับเป็นคนทำบุญซูนทานตลอดเวลาแต่แกคนนั้นวันหนึ่งนะแกก็มาจากอำนาจเจริญถามว่ายมมีทุกข์หลายทุกข์มาหลายวันแล้วแกอะไรไม่ตกอะไรไม่ตก นึกถึงหลวงพ่อองค์เดียวใจผมมีความสว่างที่ไหนผมไปนึกเห็นแล้วก็กราบมากระซับกระใสามาด้วยความใจไม่ค่อยสบายมากราบลงอืมโหดโอ้ยโคนคางมายัางงั้นเลยแต่มาก็เลยว่าโยไม่เป็นไม่ผมทุกข์มากทาไมมันทุกข์มาเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเรื่องใหญ่เหลือเกินพูดก็น้าตามันก็ไหลออกด้วยทางพูดเรื่องมันใหญ่น้าตามันก็ไหลออกหยุดคนทีโยม พูดให้ฟังมันเรื่องอะไรมันเรื่องใหญ่หนักหนาแล้วอ่ะต่านก็เดยคลานเข า, ขามากราบไปไข่เขซิบว่าหลวงพอ่อว่าเมียผมตายเนี่ยฮะว่เมียผมตายืนึกว่ามันเรื่องใหญ่เว้ยอันนี้มันเรื่องเล็กนี่นะมันเกิดเกิดตายตายเขาเกิดกันมาตลอดการตลอดเวลาแล้วทั้งเกิดทั้งตายเท่านั้นเนี่ะเห็นไหมคนเกิดไม่ตายเห็นไหมน่ะเกิดมามันต้องตายเรื่องเกิดเรื่อ ง, องตายไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเรื่องธรรมดาของเราเนี่ย ขนาดนี้ก็ยังมองมาเห็นมามันเป็นเรื่องใหญ่จนจะแก้ไม่ไหวเลยจนกว่าที่ว่าไม่เคยเห็นคนเกิดไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นคนตายไอ้ความเป็นจริงอะมันเกิดมันตายมาเรารู้ว่ากี่ศพมาแล้วเราทำไมไม่อ่านทำไมไม่พิจารณาทำไมเห็นเป็นเรื่องใหญ่จนเดือดร้อนกระวนกวายกินไม่ได้นอนไม่หลับอัตมามาคิดใหม่สิอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกพ่อของโยมอยู่ไหม ไม่อยู่เขาไปในตายนั่นไงตายแล้วแม่เยแม่แม่แม่ก็ตายเนี่ยแม่ก็ตายแล้วมันจะเรื่องใหญ่อะไร น, นั่นอ่ะมันจะอยู่อะไรเราเป็นลูกเราจะไม่ตายออันนี้มันเรื่องธรรมดายอมไปย้อนคิดใหม่ทีว่าไปคิดเรื่องใหญ่มันก็ใหญ่เท่า น, นั่นแหละมันเรื่องเด็กเด็กเรื่องธรมรมดาเรื่องคนเกิดมาในโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นมิฉะนั้นเกิดมาพระพุทธเจ้าธนาใจรีบทําคนงามความดีเพราะมันเป็นอย่างนั้น ก็ได้พูดกันแอบไปแอบมากระเล่นโยมผู้หญิงคนหนึ่งนั่งโยกข้างๆมาเลยนั่นไหนโยมมากกับใครเนี่ยท่ายมแม่บ้านตายแล้วอันนี้แม่บ้านอีกคนหนึ่งอา้าวทาไมมีหลายคนเหลเกินเนี่ยมันยังดีนะ่ยมันสองคนคนหนึ่งตายคนหนึ่งยังอีกบางคนมีแม่บ้านคนเดียวตายคนเดียวก็หมดมันยังไรก็โยมอีกเอาล ะ, ละโยมพอแล้วตายคนหนึ่งยังอยู่คนหนึ่งจะมันจะเรื่องใหญ่อะไรแล้วให้ไปคิดไหมแต่คนนั้นก็นั่งฟังนี่คือความคิดของคนเราไม่รู้จักนะ ไม่รู้จักพ่อคือคนไม่รู้จักพ่อก็คือคนไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักตายไม่รู้จักความเกิดแก่เก็บตายบางคนจะไปเทศว่าเกิดเกิดแก่แก่เก็บเก็บแต่ตายให้ฟังไม่สบายใจเลยนนะยิ่งคนฝรั่งเมืองนอกเนยไปพูดเรื่องแก่ให้ฟังรุกนี้เลยเขาไม่อยากแก่อืมเขาอยากเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นว่าคนเท่าจะแลแก่ชะลาอย่างนี้ไม่เอา ไม่อยากได้ไมื่อฉะนั้นเมืองนอกคนแก่เ้าทิ้งนี่คนแก่แก่ห้าสิบหกเก็บเขาทิ้งไม่เหมือนเมืองไทยเราเขาทิ้งน้อหนุ่มสาวรุ่นเขาเกิดมาเ่านี้ไปเที่ยวไปคนแก่เขาทิ้งไปแต่เพึอ่อแก่แล้วทิ้งทางนั้นะไม่ต้องไปเก็บเรกเอาเอาเข้าใส่ในกูหลังนะ่ะนี่ฉะนั้นพวกคนไทยเรามีธรรมะให้พิจารณาให้เห็นอย่างอยชนบุรีก็มันเอาเอาคนแก่ไปเก็บไว้เลี้ยงอแต่มาเคยเข้าไปดู คนแก่เกติสิปีแปดสิปีอยู่นั่นแหละให้พยาบาลมารักษาแต่มาเข้าไปเทศตรงนั้นนึกนึกไปกว่าน่าสลดสังเวชนึกไปนึกมากกเหมือ้นก็เปลือกแตงโมเขาเอาไปทิ้งนะ <c oughs> เขากี๊บเอาเนื้อมันทานแล้วก็มีแต่เปลือกมันก็ทิ้งดวงครองเลยประโยชน์ชนบุดีที่ที่เลี้ยงคนแก่ก็เหมือนกันเข้าไปในที่นั่นเหมือนเปลือกแตงโม <c oughs> มิจะคนแก่ๆถึงนั้นเน่ยคนหนุ่มๆเขานี้ว่าก็ไมไปหาหรอกหนีไปไปหาเข้าลงนังเข้าดิเจนครหาลําวงเลื่อนตามสบายไอ้คนแก่ก็รับบาปไปเถอะแก่ไปเถอะไม่มองถึงเรานั่นมิจะนั่นเมืองนอกก็จำเป็นเห็นคนแก่เอาไปทิ้งนะคนหนุ่มเจริญไปทุกคนไอ้คนที่หนุ่มๆแก่มาเขาก็อเอาไปทิ้งเมือนกันกรรมอาตมาพูดประชาพลังว่านี้คือกรรมกรรมนี่แต่ก่อนแล้วก็ทิ้งคนแก่ว่านี้ ที่เราแก่ไม่ได้คนหนุ่มก็ทิ้งเราเหมือนกันต้องเป็นอย่างนี้ทายทอดนั้นไปตลอดเวลามันแก้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้นี่ยความอบูนของเมืองนั้นน่ะไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเรานั้นน่ะเทศธรรมะให้ฟังให้เห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายว่ามันเป็นธรรมะอันเป็นที่น่าสลดสังเวชเมื่อเราจะทําอะไรเราก็ต้องได้พิจรารณาเมื่อเราหนุ่มแล้วก็โหนถึงคนแก่ เมื่อเห็นคนแก่แล้วแล้วหวนถึงคนหนุ่มมันได้เป็นเกาะมันได้เกาะกันเหมือนลูกโซ่า อ, อย่างนี้แต่เช่นั้นพระพุทธองค์สอนเาให้มีความเมตตารู้จากอุปการะบุญคุณของบุคคลผู้ที่มีคุณอย่างทางนอกเขาไม่สอนอย่างนี้เขาสอนว่าคนแก่ก็แก่ไปคนหนุ่มก็หนุ่มไปมันเรื่องของใครของใครถึงนั้นแหละมันเป็นแผลอย่างนี้เมื่อพูดไปตามความเป็นจริงในหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะ่ย เรี่ยงลูกมาก็รักเมื่อรักก็อยากจะให้รู้จากบุญคุณของพ่อแม่เท่านั้นถ้าเรี่ยงมาไม่มีบุญมีคุณก็ไม่รู้ว่า จ, จะเรี่ยงมาทําไมนี่อันนี้มือพูดถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระเจ้ามาสัมพุทธเจ้าขอาแก่ขนาดไหนคนเมืองไทยเราก็ไม่ทิ้งกันอันนี้เป็นความอบอุ่นในเมืองไทยฉะนั้นพวกเรานี่กวาหมือนกันฉันนั้นเราแต่ต้องพิจารณาธรรมะ พีเจนาธรรมะมันเป็นสังขารสังขารว่าต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆไอ้ความเปลี่ยนไปนั่นอ่ะมันเกิดมาแล้วเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มแล้วก็เป็นแก่เท่าแสล่แก่ชลาแต่ว่าจิตใจของคนเรานั้นไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปอย่างนั้นหนุ่มเนี่ยไม่อยากให้แก่แก่แล้วว่าอยากให้ตายอยากให้อยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือความเห็นผิดจแล้วอันนี้มันอยู่ไม่ได้หรอก มันเรื่องอเนจังมันเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นธรรมดาของมันแล้วถ้าไม่เปลี่ยนแปลงคนเราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้นะเต้นมะม่วงต้นหนึ่งมันก็เปลี่ยนขึ้นมามันถึงโตมาขนาดนี้จึงเป็นหลอกออกผลให้เราทานผลมันนี่เพราะมันความเปลี่ยนแปลงมาจากเมล็ดมันจากเบียดเล็กๆมันเป็นต้นใหญ่ๆมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาจนถึงมันเป็นดอกจึงเป็นผลเล็กๆเมื่อมันเกิดมาเป็นผลเล็กๆมันก็เปรี้ยว มันก็เปลี่ยนไปเมื่อมันมันหามไอความเปรี้ยมก็หายไปเมื่อมันสุกมันก็เปลี่ยนไปมันเป็นหวานรสของมันถ้าเราไม่จะใครมันเปลี่ยนจะเกิดประโยชน์อะไรนะเปรี้ยวใครมันเปรี้ยวอย่างงั้นดีไม่ดีจะไม่ได้กินมะม่วงสุกเสียด้วยนะมันยังไงมันเปลี่ยนไอความเปลี่ยนแปลงนี่มันดีแล้วลมหายใจเราเข้าไปเด็กออกออกเด็กกว่าเข้าเข้าเด็กออกเราจะอยู่มาตลอดทุกวันนี่ก็เพราะอาการมันเป็นอย่างนี้เพราะอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ไหม หายใจเข้าไปหันจะอึดใจเข้าไปแล้วไม่ออก น, ะนี่ให้หยุดได้ไหมออกแล้วไม่เข้ามามันก็ตายเท่า น, นั้นเนี่ยเข้าไม่ออกมันก็ตายออกไม่เข้ามันก็ตายมันอาศัยการเปลี่ยนแปลงมันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาออกเด้วกับเข้าเข้าเดีกัออกนี่เราอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มิฉะนั้นเป็นต้นเราควรลึกถึงธรรมะเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราควรควรมอบมองดูข้างๆว่าอันนี้พ่อแม่ของเราอันนี้พี่น้องของเรา อันนี้ลูกหลานของเราอันนี้ตัวของเรามันก็พร้อมไปเป็นอย่างนี้ตลอดการตลอดเวลานี่เพราะธรรมะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงทําความเข้าใจมาฟังธรรมะคือมาทําความเข้าใจกันเมื่อทําความเข้าใจกันให้รู้จักความเป็นจริงก็ยอมรับว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเกิดมาวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นวันต่อไปมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น มันต่ อ, ตอไปมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นของมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นทุกเวลาเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติ น, นี้ความเป็นอยู่พอดีความพัดภาคจา ก, กงกันก็ดีเป็นธรรมดาเห็นไหมที่เราสวดมนต์กันเห็นไหมให้พิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดพิจารณากันหรือเปล่าก็ไม่รู้ือเมื่อสวดเราต้องให้พิจารณากันทุกวันทุกวันเถิดทุวันทุกวันทำวัดทุกวันอย่างนี้ ถ้าหากว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วว่าม่ควรเสียอกเสียใจไม่ควรทำทำใจเห็นมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วให้ความเห็นเราเป็นอย่างนี้เมื่อเราได้ฟังธรรมบ่อยๆนะความบรรเทาทุกข์อันนี้มันจะพ้นขึ้นมามันก็จะไม่ทุกข์มันบรรเทาบรรเทาไปบรรเทาไปให้มันน้อยไปมันน้อยไปกว่าที่มันจะหมดทุกข์เพราะเห็นความเป็นจริงอย่างนั้นของธรรมะ ได้แค่นี้ก็เรียกว่าเรามีหลักที่สําคัญอยู่แล้วการภาวนาของเราความเป็นอยู่ของเราก็จะมีที่พึ่งที่ํานักตพุทธมีสรณังวาลังธรรมมีสรณังบาลังสังโฆมีสรณังวาลังเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นที่พึ่งพระธรรมันเป็นที่พึ่งพระสงฆ์มันเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่พึ่งอื่นก็ไม่เหมือนพระธรรมที่พึ่งอื่นไม่เหมือนพระสงฆ์ เพราะความมันเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราคิดเช่นนี้ความบันเทาทุกข์เรามันก็หายไ ป, ไปหายไปน้อยไปน้อยไปตกลงอยู่ที่ว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาคนเกิดมาก็เห็นว่าเป็นธรรมดาที่มันเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วมีความเป็นอยู่ก็เป็นธรรมดาไอ้ธรรมดามันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้ความบันเทาทุกข์ของเราก็น้อยไปน้อยไป ความอยู่เย็นเป็นสุขความสงบประงับมันก็ตั้งขึ้นมาในที่ใจของเรานั่นเองอันนี้เป็นโอวาททรชสอนของพระพุทธองค์ของเรามิฉะนั่นจงประกันตั้งอกตั้งใจให้เข้าใจธรรมะฟังแล้วให้เข้าใจธรรมะให้พิจารณาอย่างนั้น